ก็รู้สึกยินดีนะที่ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเสวนาธรรมยายธรรมเนื่องในวันไตายโลกวันที่13มีนาคมจำให้แม่นนะวันนี้วันที่13มีนาคมเป็นวันไตโลกไม่ใช่วันคนพิการสากล บางคนอาจจะสงสัยในวันไปโลกแต่เชิญคนที่มีร่างกายพิการมาพูดมันขระวันกันแต่ว่าผมก็พูดได้ทุกทุกงานะงานวันเอดโลกก็ยังเชิญไปเลยสวดกงเต๊กพูดหน้าศพก็เคยไปพูดมาแล้วเพราะว่าสภาพยอย่างผมเนี่ยมันเข้าได้ทุกกลุ่มเหมือ น, น, นเราคนได้ทุกกลุ่ม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 หลวงพ่อชาท่านกล่าวไว้ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยือเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยต้นเห็นความทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นยึดถือมากก็ทุกมาก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 เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราสามารถมองความป่วยไข้ในแง่ดีเนี่ยแทนที่ไอ้ความป่วยไข้จะทำให้เราต้องเศร้าหมองส่วนเดียวแต่กลับทาให้เราได้เกิดสติปัญญาเกิดกำลังใจมันง่ายต่อการที่จะดูแลแล้วก็รักษาเนี่ยเนี่ยสำคัญนะถ้าเรามองเห็นไอ้ความทุกข์ก็ดีความ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 กายป่วยแต่ใจไม่ทุกข์มันต้องอาศัยสติปัญญาอันนี้สําคัญว่าสติมันจะมาทันหรือไม่ถ้าสติมาทันแล้วก็ปัญญาจะเกิดจะแก้ปัญหาได้สําคัญนะตรงนเนี้ยเนี่ยนี่จะทำไงให้มีสติมากๆอ่ะยังไงต้องมีสติก่อนเคลื่อนมือสําคัญเลยในการแก้ปัญหาชีวิตต้องมีสตินําหน้าก่อนแล้วปัญญาจะตามทํายังไงถึงจะมีสติ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 ต้องมีการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรมันต้องมีเครื่องมืออยากจะลาออกจากความทุกข์จะต้องมีการปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าการภาวนาก็ได้การภาวนาการทำจิตให้เจริญการภาวนาการทัจิตเจริญภาวนาอะไรสมถะภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาเรียกเปรุรวมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมคืออะไร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 เราต้องมีความเชื่อมั่นก่อนถ้าไม่เชื่อมั่นเนี่ยอะไรก็ไม่สําเร็จ <c oughs> ไม่มีลูกฟุก <c oughs> ต้องเชื่อมั่นว่าธรรมะเนี่ยสามารถดับทุกข์ให้กับเราได้จริงห <c oughs> ลักวิธีการปฏิบัติคือสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเนี่ยสามารถดับทุกข์กับเราได้เราต้องมีความเชื่อมั่นก่อนเ <c oughs> ชื่อมั่นในหลกักธรรมอีกประเด็นสำคัญหนึ่คือต้องเชื่อมั่นว่าเราคนนึ่งละ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 เรื่องดับทุกเนี่ยเราต้องดับทุกได้เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะออกจากทุกข์ได้เนเป็นเรื่องของเราโดยตรงเลยเรามีสิทธิ์ที่จะลาออกจากความทุกขได้เราต้องตั้งใจแบบนี้ก่อนเนี่ยว่าศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือกำลังใจเนถ้าเรามีความเชื่อมั่นเราจะมีกำลังใจนะแม้ว่าสิ่งนั้นจะยากเย็แค่ไหนก็ตาม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 ในการเจริญสติให้เกิดสมาธิาธเกิดปัญญาแล้วก็ละออกจากความทุกข์นะจบอันนี้เป็นเพียงทฤษฎีไหมมันต้องเป็นขั้นตอนแล้วเราจริญสติแบบไหนต้องไปวัดไหมต้องไปวัดต่าสุกโตไหม <c oughs> ต้องมีหลวงพ่อคำเขียนมีอาจารย์ทรงศิลด้วยเหรอนะนะการเจริญสติเนี่ยเราทำที่วัดก็ได้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 ดูกายดูใจกายเรากําลังทําอะไรใจเรากาลังคิดอะไรนี่เป็นสติปัฐานคือมันต้องมีฐานมีฐานตั้งอยู่แล้วก็สติเข้าไปตั้งรู้เนี่ยการจิตติการเอากายเนี่ยมาเป็นฐานที่ตั้งแล้วเอาใจเนี่ยเข้าไปรู้มัต้องอย่างนั้นกายตั้งใจเข้าไปรู้ต่างกันนะ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 ไม่ไหายก็ไม่เป็นไรต้องวางใจเป็นกลางไห้ก่อนอย่าหวาังว่าหมอจะรักษา ห, หายเสมอไปถ้ามีความหวังแบบเนี้ยถ้าหมอรักษาไม่ไหายใจเราก็ต้องเป็นทุกข์ต้องวางใจเป็นกลางๆงหายก็จ้างไม่หายก็ไม่เป็นไรก็รักษากันต่อไปถ้าวางใจเป็นกลางเ่ยรับรองป่วยหนักสักแค่ไหนใจมันก็ไม่ทุกข์ลรักษาเท่าไหร่หายหร like, ือไม่หายใจก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้แสดงว่ามีใจเป็นผู้ดู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 ถ้ายัางลาออกไม่ได้ก็ใช้เป็นประโยชน์ใช้มันทํำประโยชน์โดยการมาปฏิบัติธรรมมาเจารสติเพื่อให้มันรู้ความจริงจะได้ลาออกจเป็นผ้าภูมินะเต็งไรก็ตามเมื่อมันป่วยไข้ก็ทําที่รักษาไปแล้วก็ทําใจนะทําใจไว้ไปกลางกลางหายก็จ้างไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะโรคบางอย่างเนี่ยรักษาไม่หายอย่างเช่นใครเป็นโรคภูมิแพ้ม้าง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 นะมันแพ้อารมณ์โกรธก็ไปโกรธสุดขั้วหมดเนื้อหมดตัวไปความโกรธอีกฆ่าเขาทำลายเขาเนี่ยบางทีดุด่าว่ากล่าวใช่ไหมผลท้ายมันก็มีความทุกข์เพราะแพ้อารมณ์บางทีมันเกิดการวิตกกังวลอย่างนี้นเนี่ยบางคนที่ร่างกายป่วยไข้ในวิตกังวลนี่มันจะหายไม่นาะถ้าไม่หายจะเป็นอย่างไรเนี่ยงานก็ทำไม่ได้เงินก็ไม่มี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 อารมณ์ตะหนีมีไหมอารมณ์หึงหวงมีไหมน้อยเนื้อต่ําใจมีไหมมีมากมายเพราะเราแพ้อารมณ์และแพ้ไม่แพ้ผ่าเราติดอารมณ์ตไปเป็นอารมณ์นั้นเนี่ยนั่นก็ผลสุด ท, ท้ายคือเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสติผู้ที่จเจริญสติเนี่ยไม่ใช่ว่าอารมณ์วหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะอารมณ์รักอารมณ์โกรธก็มีนะเนี่ยคนปฏิบัติธรรมยอย่างคุณหมอประกรณ์เนี่ย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 อิจารเสยาคืงห่วงสารพัดยามันปรุงขึ้นมาสติมันรู้ทันรู้ทันแนวอารมณ์ปัญญาเข้ามาปล่อยวางเลยว่าไอ้นี่เชื่อไม่ได้ไออารมณ์แบบเนี้ยทําให้เราเป็นทุกข์อารมณ์แบบเนี้ยเรามาคับบัญชาเลยมันไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเห็นความไม่เที่ยงของความคิดเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์จิต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 เพราะนั้นสำคัญนะถ้ามีสติรู้ทันแล้วก็มาเอาชนะอารมณ์เหล่านี้ได้ไม่แพ้อารมณ์และมันมีกำลังใจจิตใจมันเข้มแข็งสติสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นก่อนผมจะจะเดินทางมาที่เนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคุณหมอท่านหนึ่งพาสองสามีภรรยาชาวเยอรมัน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 เป็นโรคภูมิแพ้ท่านอาจารจิตใจเมื่อมีโรคทางกายคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงทําให้จิตใจนี่อ่อนแรงไปด้วยกล้ามเนื้อใจก็อ่อนแรงกายอ่อนแรงใจก็อ่อนแรงเป็นทุกข์มากติดอยู่ในความคิดความคิดเก่าๆเดิมๆหลงคิดแต่เรื่องอดีตกังวลแต่เรื่องอนาคตเขาจะทำยังไงดีเขาเป็นทุกข์มากไม่เปิดใจด้วยคุณหมอพามา ก็มาคุยกันโอ้เห็นใบหน้าก็รู้แล้วอ้อนิทในภาษาไทยเลยว่าบอกบุญไม่รับพอบอกให้ทําบุญเนี่ยอ๋อไปข้างหน้าก่อนเลยแสดงว่าเขาไม่เปิดใจนะเขาบอกว่าเขาเป็นทุกข์มากเขาเป็นนักกีฬาเดี๋ยวนี้เขาเล่นกีฬาไม่ได้เขาเคยเป็นครูสอนหนังสือเขาไปทํางานไปสอนหนังสือไม่ได้เขาเป็นทุกข์มากชีวิตเขาทายังไงดีท้อแท้หมดกําลังใจเนี่ย พราะเขาหลงติดอยู่ในคุกของความคิดคุกของความคิดมันขังติดขังใจหมดอิสรภาพเลยร่างกายก็เป็นทุกข์ใจก็ฝอยเป็นทุกข์ด้วยมาขอกําลังใจผมเลยให้กําลังใจแนะนําไปว่าก็พูดในใจให้กําลังใจนะเนี่ยต่อไปก็จะชวนที่เขาปฏิบัติธรรมแบอบกว่าคุณเนี่ยร่างกายแม้ว่าจะไม่ดีนะจะไม่ปกติ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 จะไปเตะฟุตบอลมันเดินไม่ได้เราก็เล่นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ให้มันเหมากับสภาพร่างกายเอยงคุณคุณไปสอนหนังสือที่โรงเรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คุณทําบ้านคุณที่เป็นโรงเรียนซะให้คนมาเรียนที่บ้านเห็น ไ, ไหมไปเรียนที่บ้านคุณก็นอนสอนก็ยังได้นะเนี่ยผมมาที่เนี่ยมาที่โรงพายาบาลจุฬาฯเนี่ยผมก็นั่งพูดแต่ผู้หิชมรมเนี่ยผมนอนพูดบางที่อยู่ในห้องน้ําไอ้คนร้องหน้าเราคุยกัน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 คนที่เป็นทุกข์เพราะความคิดเพราะขาดสติอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมปล่อยกายไปคิดฟุ้งซ่านเลยแ h e ก็มาทำเคลื่อนไหวมือให้มีสติเขาทำก็แก๊้แก๊้ผมก็ทำให้ดูตัวอย่างผมยังไม่เลิกทำนะแต่เขาเลิกทำแล้วโอ้อแต่ว่าเขาไม่สนใจออกการปฏิบัติทำแต่เขาอยากพ้นทุกข์แนะนำเท่าไหร่ก็ยังปิดใจหน้านิ้วขี้ขมวด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 ปัญหาชีวิตก็ดีความทุกข์ก็ดีนี่เป็นสิ่งเดียวกันปัญหาความทุกข์เป็นสิ่งเดียวกันความทุกข์เนี่ยมันจะมีหนักหนาสะแค่ใดเนี่ยมันไม่สําคัญถ้าว่าเราวางจิตวางใจอย่างไรทุกข์มากแค่ไหนไม่สำคัญเราวางจิตใจอย่างไรถ้า เ, เกิดความทุกข์เกิดปัญหาถ้าเรามองความทุกข์ในแง่ร้า ย, ายทําใจให้เป็นทุกข์โดยเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ซะเอง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 มาลาออกจากความทุกข์เพราะว่าทุกข์เนี่ยถ้าเราโม้เป็นทุกข์อยูนมันลาสมัยแล้วความทุกข์มันลาสมัยแล้วเราลาออกนะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยเขาไม่ได้มีไว้ให้เป็นความทุกข์มันไว้ให้ลาออกเราจะลาออกจากความทุกขน์นั้นต้องต้องเจริญสติเนี่ยตามหลักธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนาคือเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าผลของการเจริญสติปัฏฐานนั้นผลออกมาก็คือ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 รอนานบริการไม่ดี<笑><笑>เห็นบ่อยแต่เดี๋ยวนี้มันลบภาพนั้นไปเลยนะผมไปโรงพยาบาลไหนเนะี่ยก็เปลี่นวิธีชีวิตใหม่เลยนะอย่างเนี่ยอย่างวันนี้มาที่โรงพายาบาสลสุรินทร์เนี่ยก็ตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเนี่ยไม่ใช่ภาพเก่าๆไม่เห็นจะหน้างอรอนานบริการไม่ดีเลยแล้วตอนเราไม่เห็นก็ไม่รู้แต่พอไปเจอเนี่ยโอ้บริการดีรอผมนานแต่ก็บริการดีด้วยนะโอ้เนี่ยแล้วยิ่ง